กราบนมัสการอาจารย์ครับคือเรารู้แล้วเราละทุกทุกจุลิยาของของสิ่งที่ไปรู้เสร็จแล้วมันมีอาการสภาวะที่จิตมันแวบจิตมันจืดใช่ไหมฮะมันจืดแต่ว่าเราก็พอจืดพอเราไปรู้มากเข้ามากเข้ามันจืดหนักเข้าหนัเข้าแต่ตอนหลังมานี่มันก็ละได้มันก็ละละไปละไปถึงแม้มันจะจืดไปเราก็ไม่สนใจมัน ก็ยังรู้แค่นั้นรู้รู้ละกละรู้ละกันละแค่นั้นตลอดครับอาจารย์แต่ก็มีที่มันก็หลุดไปบ้างก็มีหลุดพอเราหลุดมันก็ระลึกรู้ขึ้นมาอีกว่า อ, อ๋อเราหลุดอย่างนี้ครับก็ยังปัจจุบันนี้ก็ยังระลึกรู้อยู่ตลอดครับก็ถูกนะครับเพียงได้มากครับเห็นในตอนเนื่องนะที่พูดมาก็ถูกหมดแหละ ที่มันจืดมันเจือกอะไรนั่นแหละก็ไม่ผลจากการปฏิบัติแล้วแหละมันจะจืดมันจะเจื๊ยกไงก็ปล่อยมันไปอ่ะมันจะมันไล้วไม่มาเป็นยังไงก็มันจะตกใจมันจะเอ๊ะม uh? ันจะคืออะไรคืออะไรมันจะเข้าไปยุ önem, <Thank you. S 2> <manage> <laughs> ่งกับมันแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวมันต่อไปมันก็เป็นเรื่องปกติมันจะจืดจะเจี๊ยกไงก็จังออแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปมันก็จะ มีอาการ ม, มีตภาว่ามันมันอยู่เรื่อยๆนะเพิ่มมันก็จะแปลกๆมันไปกเจ้างมันเจ้ามันเอื่อมันใหม่ๆอะไรก็มีอาการใหม่ๆมีตภาว่าได้ใหม่ๆจะตื่นเต้นแปลกๆแปลกๆอะไรเงี้ยนานๆไปพอเราปล่อยปล่อยๆัไม่แตกแล้วเป็นบ่อยๆเขาก็เลิกแปกแล้วครับจะก็เป็นโน่นเป็นนี่อีกเป็นโน่นเป็นนี่อีกพอแล้วยิ่งปล่อยมันยิ่งมีแปลกๆมีแปลกๆสําหรับบางคนไม่ใช่ทุกคนคนเราแต่คนจามุนวาสนาบารมีมันไม่เหมือนกันบางคนมันยิ่งปล่อยยิ่งแปลก มันจะว่ายิ่งยุ่ยยิงแปลกนะยิ่งปล่อยยิ่งแปลกมีอะไรแปลกยิ่งด้วยเราก็แปลกยังไงก็ปล่อยหมดรู้แล้วก็เห็นแล้วก็ปล่อยรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยไม่มีอัศจรรย์ขนาดไหนก็ต้องปล่อยต่อยห้อัศจรรย์ขนเอาเวิร์กขนาดไหนก็ยังต้องปล่อยเลยอย่างตรงตาเนี่ยอย่างนี้ก็ตัวอย่างเมื่อก่อนเนี้ยปฏิบัติอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีปรากฏอัศจรรย์มากเลยอะเขาใจทําแล้วมันมีอัศจรรย์ รีบลงจะข่าว่ารีบลงจะกเขาบลูดจะไปเล่าให้หลวงูุทาอาจารย์สมโภที่ตีนเขาฟังอู้เป็นถึงกุฏิมันจะจะขึ้นกุฏิเลยท่านยกมือห้ามเลยเราต ว, วาดเราหรือวา <c oughs> มันมันอดีตไม่ใช่หรอหน่ะอดีตมันเป็นทำเมาหเห้ยเหรอเรา <c oughs> ตกใจเลยเราพวกจะอัศจริย์อยู่บนยอดเขาเมื่อกี้เมื่อเถึงตีนเขาเปไ็นอดีตไปแล้ว เราพูดไม่ออกไม่ต่คําเดียวไม่ได้พูดเลยนะคานก็ไปกราบขอกข้มาท่านท่านที่เราอะไม่ท่านจะโดนอะไรแเราไมะเจออะไรเลยต้องเข้ามาท่านแล้วว่าโดนท่านดูก็ต้องกราบเก่าก็ไปกราบเขาเขาเขาผมกดขอเข้ามาครับขอโทษครับเนีไอเราอะขนาดจะหันหลังกลับยังไม่กล้าเลยขถอยหลังกลับเพราะเพราะกลับไปก็ขานไปหลังไปหลังไ้หลังเท่านั้โดนท่านเร่มานี่ออโดนเรียกเข้าไป เขาที this, ่มาทําอะไรเนี่ยหลงอดีตอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอดีตเป็นเป็นทำเมาอ่ะอนาคตเป็นเป็นทำเมาอ่ะมันรู้อยู่ในปัจจุบันละในปัจจุบันเท่านั้นแหละที่จะเป็นธรรมะเราไม่ทันปัจจุบันโอ้โหโดนท่านอัดก็แล้วพอพอขาดไยหลังอีกเรียกจับเขมาอีกโอ้โหเราก็เมาดีอีกตวาเดี๋ยวโอ้โหบอกว่าเราไม่ไปผู้สอนทำเขาแล้วเราหลงอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยหลงไปหลงปัจจุบันได้ไงอ่หลงไปอดีตหลงอนาคต ปัจจุบันก็หลงไม่ได้ก็ต้องละไปเรื่อยละทุกขณะปัจจุบันที่เกิดด้วยซ้ําไปเนี่ยโอ้โหแล้วอัศจรรย์อยู่บนยอดเขาตั้งอัศจรรย์มากเลยลงมาถึงตีนเขาเป็นอดีตไปแล้วะเล่าไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ยพวกเราเนี่ยไม่รู้อดีตข้า ม, มาตั้งแต่เมื่อไหร่เ <c oughs> นี่ยบนยอดเขาแป๊บเดียวลงมาถึงตีนเขานตะ่รีบมาบอกท่านะโดนเอาไปแล้ว แลวบอกว่าอะไรมันเกิดขึ้น่ะวางอย่างเดียวนั่นะวางอย่างเดียววางอย่างเดียววางอย่างเดียวเลยไม่มีทางเลยคือไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดนตวาดเละเลยเพราะเน่ต้องวางอย่างเดียวพวกเลาเนี่ยโอ้ยอัศจรรย์อย่างงอัศจรรย์งี้มียาู้นเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอัศจรรย์แล้วอัศจรรย์น่ะคือวางวางนั่นน่ะคืออัศจรรย์ถ้าไม่วางไม่มีอะไรอัศจรรย์นั้โดนโดนดุอย่างเดียวนั่นะอัศจรรย์อ่าครับหลวงพ่อหลวงตาได้เมตตาแนะนำที่ อแม้แต่ในสภาวะสงบมันก็ยังมีตัวที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับมันมันก็เห็นตัวที่ยุกยับอยู่ตลอดเวลานะฮะมันไม่หล่นไปในความสงบนั่นนะครับแต่ก็ไม่ น, นั่นไม่นั่นใจว่าจะถต้องหรือเปล่านะครับห ต, ตาอืาเราตัวเราไปปรุงอยู่อะนี่เราลงไป็นความสงบหรือเปล่าโอเราไม่หลงแล้วนี่ ไม่หลงเลนะครับเออเราไม่หลงไอ้ที่เราไม่หลงเนี่ยคือหลงแล้วเนี่ยเราไม่หลงตัวเราไม่หลงเนี่ยเราหลงตัวตัวเราไม่หลงอยู่เนี่ยเนี่ยเราไม่หลงแล้วตัวเราไม่หลงไอ้ตัวเราไม่หลงตัวเราไม่หลงเนี่ยมันคือมันหลงอยู่นนเนี่ยครับอ๋ออ๋อหละจริงดก่อนก็ต้องเห็นไอ้ตัวเราเนี่ยฮะเออผมไม่ทันสังเกตตัวนี้ใช่ใช่ครับอืมแบบนี้เนี่ยตัวทานมัน มีตัวเราไปเล่นไปเล่นไปเต้นไปแสดงรู้ทันทันทีเลยครับมันมีตัวเราเขไปเล่นไปเต้นไปแสดงรู้ทันทันทีเอาไปคิดเป็นนึกตัวเราก็ไปคิดไปนึกไปตึกไปตอรู้ทันทันทันต้รู้ทันซ้อนเข้าไปทีหนึ่งรู้ทันทันทีเลยไม่ต้องไปคซ้อนแหละรู้ทันทันทีไปเลยใช่ครับมันมีอะไรโผล่ขึ้นมามันเป็นสังขารหมดมันมีตัวเราเขาเสี้ยวจริงๆมีตัวมีตัวเรามีตัวเราก็เห็นว่าไอความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นสังขารอย่าไปคิดทําลายมันนะครับ ไปคิดทำลายมาในตัวซ่อนมาเนี่ยมันเป็นตังขานทุกตัวเลยตอนนี้ยมันเป็นอวิชาทุกตัวเลยการนมัสการหลวงตาค่ะชื่อแอร์ค่ะก็กราบเมตตาหลวงตาแนะนําชี้แนะค่ะเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งเคยไปกราบหลวงตาที่ถ้ำซับมืดก็หลวงตาก็ชี้แนะว่าจะมีตัวหนึ่งที่ตั้งดูอันนั้นก็ระวังแล้วก็คือก็เบาๆแต่ถึงแม้มันจะมีก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปอ่ะค่ะแต่แม้กระทั่งบางครั้งมันก็มีอารมณ์แรง มันก็ไม่ได้ลงไปอินกับมันมากถึงมันอินแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เราอะค่ะกก่านาสกาค่ะต้องวางความไม่ได้อย่างใจด้วยนะถ้ามันมีอะไรไม่เด่งใจอะแสดงว่ามันมีตัวเราเป็นอวิชชากิเลสตันอวทานภพชาติเราสังเกตเห็นให้ดีมันมีไม่ได้อย่างใจ ผมไม่ได้อย่างใจเหมือนอิดอัดกับกล้องใจกับแขนใจน้ําตาไหลออกตาไม่ร้องไห้ออกมาข้างนอกก็ร้องข้างในแต่ตอนนี้กับเมื่อก่อนมันไม่ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นอยู่นี่ค่ะแต่ว่ามันคือถ้าเราไม่ปล่อยให้มันไหลมันก็ไม่ไปหรือว่าบางทีมันไหลพอเราไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว ไ, ไปไปไปทําที่ไปเหตุเราไม่ได้ว่า น้ำตาไม่ได้บอกว่ามันน้ําตามันไหลหรือไม่ไหลเราไปห้ามให้มันไม่ไหลแล้วมันไปเหตุที่น้ําตามันไหลคือมันมันยังมีผู้ไม่ได้อย่างใจต้องการได้เห็นตัวนี้เบื้องหลังลึกๆของใจลึกๆคือเราเนี่ยมีตัวเราเนี่ยก็ไปยึดถืออะไรอยากจะได้อะไรแล้วมันยังไม่สมปรารถนาตอเรายังไม่เห็นตัวนี้เรายังไม่วางตัวเนี่ย เราไปแก้ที่ให้น้ําตาไหลไม่น้ําตาไหลหรือมันร้องไห้ไปลราปล่อยให้ร้องไห้ไปมันยังไม่ใช่มันยังไปเหตุใจเราเนี่ยไปแอบปัถนาอะไรอยู่เราต้องเห็นระวางความปาัถนาไประวางความปัถนาทั้งหมดก็สิ้นทุกความปัถนายังมีอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่เนี่ยร้องไห้อยู่เนี่ยตับใดความปัตนามีอยู่ย่อมทุกอยู่เพราะว่ามันยังไม่สมปัถนา ต้องวางความปรารถนา ห, หมดสิ้นไปแล้วยังปรารถนาอะไรล่ะแม้แต่าปรารถนาพนันธิพานยังต้องวางหลวงความทุกข์ที่สุดของผู้ปฏิบัติธรรมที่ปรารถนาความพ้ทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือที่สุดของความปรารถนาก็คือนิพพานนี่แหละแต่มันกลับทําให้เราเป็นทุกข์ที่สุดในโลกคนอื่นบอกว่าทุกอย่างอื่นทุกที่สุด แต่สําหรับผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ความปรารถนาปฏิภาณแล้วไม่ได้อย่างใจไม่ได้ปฏิพานสักทีเป็นทุกข์ที่สุดเลยต้องวางความปรารถนานี่เนี่ที่พุทธอที่พรุทธเจ้ากัดตอนที่ตัทสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดว่าอย่างไงเมื่อความปรารถนาความสุขหรือความปรารถนาปฏิพาณหมดไป ความทุกข์ก็หมดไปพร้อมนิจชาตปรินิพุโตดับความป่าธนาสนิทไม่มีส่วนเหลือนี่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าลำพงึงขึ้นมาตอนขณะที่สัสรุปเป็นพระ ส, รสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์ดินลนุสาสระ ความเป็นกษัตริย์อุตสาสระทุกอย่างสระทางพิมพาซึ่งเป็นภรรยาสระลาหุนซึ่งเป็นลูกสระพ่อพระเจ้าสุโธชนะสระบ้านเมืองสระทุกอย่างความสุขความสะดวกสบายทุกอย่างเพื่อปัตนาความสุขที่ทุกไม่มีรือพันิพาน แล้วก็ดิ้นรนค้นหาถึงหกปีเต็มท <c oughs> ุกมากเลยยิ่งนานวันยิ่งทุกข์มากแสนสาหาัสหาใครก็ไม่เจอถามก็ไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยยังมีใครอีกไหมจะไปเจออล า, าดาบทอล า, ร า, าเรียนกาลาดาบทนึกว่าจะพบความสุขที่ทุกข์ไม่มีคืออ น, นิพพานบทใตยเรียนจนได้ฌานที่แปดลู ป, ประชานสีอาลู ป, ประชานสี ที่สุดแล้วเนี่ยถึงเข้าฌานที่แปดได้จนเป็นความว่างเปล่าเดียวกับอากาศแต่มันมีความสุขเฉพาะในตอนเข้าไปอยู่ในฌานแต่ฌานเป็นของไม่เที่ยงก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อหมดกําลังของมันแล้วกลับมาทุกข์อีกพระพุทธเจ้าทําไมบอกว่ามันยังทุกข์อีกละ่ะทาไมมันมันยังทุกข์อีธธกะล่ะอุทกดาบทว่าเราจะไม่ทุกข์ก็ต้องอยู่ในฌานมันอยู่ไม่ได้ตลอดไป เราจะไม่มีทางเลยเลยที่ว่าจะสิ้นทุกข์อย่างถาวรไม่มีทางเลยหรอไม่มีทางเลยเหรอโอ้ท่ทุกข์พระองค์ทุกข์มากเลยยอมสละทุกอย่างมาทั้งหมดแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ไม่ห่วงสลบอดข้าวอดน้ําตันลมหายใจจนสลบสลายไปด้วยกี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็ทําไม่ได้องค์ทุกข์มากเลยทุกทุกที่ทุกจึงรู้ว่าความทุกข์ของพระองค์แท้จริงเนี่ย ผอไม่ทุกข์กับอะไรแล้วมันเหลือความทุกข์อย่างเดียวคือความปรารถนาความพ้นทุกข์มันเหลือความทุกข์อันเดียวผมก็เห็นเหมือนก็เห็นมันแล้วรู้เหมันว่าแท้จริงอ่ะพระไม่ได้ทุกข์กับอะไรเลยเพราะอย่างอื่นพระองค์ไม่ทุกข์แล้วเพราะพรองคไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวความเมืองก็ไม่ยึดลูกเมียก็ไม่ยึดญาตพี่น้องก็ไม่ยึดทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดแม้แต่สังขารร่างกายตัวเองอ่ะก็ไม่ยึด และทุกอะไรก็ทุกอย่างเดียวทุกอย่างไม่ได้พัพนิพานทั้งทีคนจึงรู้ว่าความปรารถนาพัาพนิพานนั่นแน่ทำให้พระองค์เป็นเหตุให้พระองค์เป็นทุกอย่างยิ่งเป็นทุกอย่างที่สุด ข, ของพระองค์พระองค์จึงวางความปรารถนาพัาพนิพานวางความปรารถนาพัาพนิพานวางความปรารถนาความสุขที่ทุกข์ไม่มี จะปรารถนาความพ้นทุกข์วางความปรารถนาความพ้นทุกข์นั้นไปเสียพอสิ้ปนปรารถนานั่นแหละก็ตัดจะรู้เป็นสมมาสามพุทธเจ้าทันทีที่พระองค์ตัดไว้ในกิริมานฑลสุขกับป้าอนนเขามาทาเป็นหนังพุทธเจ้าสดาโลกอยู่ในตอนที่สามสิบสี่ไปดูองค์กล่าวอันนี้เป็นจริงๆ วันที่ตัดสินล่มพุงอย่างนี้จริงๆเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมเพราะถ้ายังปรารถนาสิ่งใดแม้แต่ปรารถนาพระนิพพานมันย่อมมีความสุขพระไม่สมมันย่อมมีความทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาความทุกข์ไม่มีทางเพราะวางความปรารถนาความไม่ได้อย่างใจไม่สมหวงังก็ดับหลง ปวาทุกข์ก็ตับพอกระอกลงตาโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกไปหาก่อนที่จะกราบลาท่านลงตาพิณนาดูให้ดีกิเลสไม่มีแล้วทำไมจึงยังไม่บรรลุพัน่ิ่านโอ้ยลูกตาเซอ่อไปเลยเออ พอแม่ครูบาอาจารย์ช่วยด้วยช่วยด้วยก็ผมเนี่ยไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่ผมเป็นทุกข์ผมสละทุกอย่างมาตว่าตําแหน่งผู้สาวนาคณะสาวุทธรมาสละตําแหน่งสละครอบครัวสละรับเสินเงินทองสละที่ดินสละเครื่องราชสูงสุดสายสะายสายสีมาทั้งหมดเยสละมาทั้งหมดโดยความสุขความสะดวกสบาย ก่อนมาบวชก็สอนปฏิบัติธรรมมิทุสิทิ์อยู่ถึงยี่สิบปีตลาดทุกอย่างมาเลยแล้วหลวพ่อแม่กรบาอาจารย์จะมาตานี่ว่าตรงตากิเลสไม่มีแล้วทาไมถึงไม่บรรลนุนิพพานพี่นาดูให้ดีนะก็ไอ้ตัวนี้มันแหมก็เราเนี่ยเจ็บปวดตรงนี้อยู่แล้วท่านมันตอบย้ำออกมาเลยเหมือนกับน้าตาจะร่วงเลยเ พราแม่ครูบาอาจารย์ช่วยด้วยช่วยชี้แนะด้วยช่วยชี้แนะด้วยเก้ากับผมติดอะไรเก้ากับผมติดอะไรผมเนีจยทุกขี่สุดเลยไม่มีอะไรที่ผมไม่ที่จะทุกข์แล้วผมไม่เหลือทุกอย่างเดียวเนี่ยทุกข์คือมันมันอยากได้นิพพานแล้วมันยังไม่ได้นิพพานสัทีทำอย่างไรอ่ะันผมติดตรงไหนถึงไม่ได้นิพพานไม่เป็นนิพพานก็แม่ก็บอกแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วว่ากิเลสไม่มีทําไมจี่ไม่เป็นรลุนิพพานแต่ก็บอกว่า ไม่มีใครป้อนปฏิปานให้กันกินได้แร้วหลงตาโอ้ยเราจนปัญญาจริงๆเลยนี่แนะ่เราจรึงเข้าใจเลยว่าตัวเนี้ยมันทุกอย่างไรมันทุกมันทุกมันทุกมันทุกเพื่ออยากได้นิพพานนี่ยแน่มันทุกจริงๆเลยเราจรึงเข้าใจเลยว่าเรายอมวางอย่างอื่นได้หมดเลยเพื่อเราอยากได้นิพพาน ยอมเจอตลาดทุกอย่างเลยมัจะพวกบอกว่พวกบอกว่าโอ้โหนายลงศเราเอาไปทาไมเนี่ยเงินเดือนก็ต้องเยอะท่านลงศักอยู่เนี่ยตอนนี้ได้เป็นอธิบดีได้เป็นประธานดูสเนี่ยประธานทั้งหมดในในศาลทั้งหมดอธิบดีทั้งหมดในศาลทั้งหมดนรุ่นรุ่นเดียวกับลูตาหมดเลยเนี่ยเวลาขาทีหมดเราไปสอนในศาลบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายในใจของตาเลยไม่ว่าตำแหน่งอธิบดีตำแหน่งประธานตำแหน่งอะไรไม่มีความหมายต่ใจของาเลย วันในใจดวงตามันมีความหมายอยู่างเดียวคือมันโหยหามันหิววัตถุปานาอย่างเดียวเลยอย่างอื่นมันไม่เลยมีความหมายเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันทําให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุนี้นหะละแล้วเหตุทำให้เราไม่รู้วัตถุปานก็เพราะเหตุนี้อีกนั่นแหละเราก็ไม่รู้ซะอีกอดวงตาก็มาคิดพิจา ร, รณา ค, รค่ายควรกลับไปกลับมาว่าเอะในโลกนี้เราไม่ทุกข์กับอะไรเลยเราไม่มีอะไรสักอย่างเดียว แม้แต่วัดข อ, ตตอ ง, ต, อ ง, อ ง, องตัวเองก็ไม่มีกขนาดไปสร้างเขาตั้งหลายวัดแต่วัดของตัวเองก็ไม่มีเราไม่มีอะไรสักอย่างเนื่งบ้านช่องก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีไม่ได้จับเงินจับทองวัดวาลามขอตัวเองก็ไม่มีแล้วเราทุกข์กับอะไรแล้วเนี่ยทําไมเราทุกข์จังเลยเราทุกข์ทุกข์ทุกข์ทำไมเราทุกข์ทุกข์กมา ก, ก, ก, กเราทุกข์กับอะไรก็พิจารณากลับไ ป, ก ล, บไปกลับมากลับไปกลับมาอ๋อ ไม่ว่าจะย้อนแง่ไหนอ่ะมันทุกข์กับการที่ยังไม่ได้นิพพานพิจารณาย้อนกลับไปกลับมากี่รอบมันก็ทุกข์เพราะยังไม่ได้นิพพานเลยเนี่นอนน แ, แล้วลราก็เพราะเรายังไม่ได้นิพพานเราก็ต้องทุกข์สิเดี๋ยวเราได้นิพพานเราก็หายทุขกข์แหละเ้วก็ไปว่ากัานได้อีกเราไปรอใได้นิพพานเราจะได้หายทุกข์เราจะไปได้ตอนไหนก็เราอยากได้นิพพานอยู่เนี่ย เราก็ย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาของเราเี่ยพิจารณากลับไปกลับมาเราเลยลงแก่ใจอ๋อมันก็ไอความอยากได้นิพพานนี่แน่มันเลยไม่เป็นนิพพานมันก็ตัวเดียวกันเองเนี่ยน้าย่อกตัวเดียวกันนี่แน่น้ํำย่อตองน้าบ่งที่เขาคนโบรานว่าเพรเนี่ยไปเพราะอยากได้นิพพานมันจึงไม่เป็นนิพพานอ๋อมันตรงนี้อแต่ก็มันก็ไม่ใช่วางง่ายนะเพราะอะไรมันอยากมานาน มันอยากมานานใครจะยอมวางง่ายๆมันก็ยังอยากอยากยากยาแต่เพียงแต่ว่าความอยากมันค่อยๆน้อยลงไปเพราะว่าหนทางอย่างอื่นมันไม่ทําให้เป็นอนิพานมีหนทางนี้เดียวคือต้องวางความอยากได้อนิพานบัลลีไม่มีช่องทางอื่นเลยต้องยอมแต่ยอมมันก็ไม่ค่อยจะยอมพร้อมใจอยอมเพราะอะไรเพราะหมดหนทางอื่นยอมเพราะหมดหนทางอื่นแต่มันค่อยๆยอมมันก็ค่อยจางไปจางไปจางไปจางไปจางไป วันดีคือดีมันก็กระโดดขึ้นมาอีกจางจางจางวันดีคือดีมันก็กระโดดขึ้นมาอีกมันก็กระโดดอยากอยากยากยากอยากมันก็อยากขึ้นมาอีกอยากอยากยากยากยากขึ้นมาอีกมันไม่หายไปจากใจจริงว่ามันยังอยากได้นิพพานหายใจเข้าหายใจออกเป็นนิพพานนอนก็เป็นนิพพานทำอะไรก็เป็นนิพพานนิพพานนิพพานมันเป็นนิพพานตลอดเวลาเลยว่าเลยวางวางวางวางวางวัตถุวางวางวาแต่มันวางไม่จริงมันก็ เพอรปับกโ ด, ดขึ้นมาเดินจกรมเลยรีบเดินจกรมมันได้เผลือดนิ่ผ่านในทางจงกรมเฮ้ยนี่นี่เราโดนนิผ่านลอยมันเดินจะลีบลบรีบเดจกมแล้วเผืือมันจะนิพพานในทางจงกรมอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงีม้มมนรู้ทีมันไม่ได้สินส้นจริงๆแตหลอกอยู่ในใจเนี่ยพอถึงวันไหนพระจานทร์เต็มดวงสิบห้า โอ้โหนวัพระจัน์เต็มดวงสิบ้าครับรีบปฏิบัติไม่แน่อาจจะมรรูุในพระจารย์เต็มดวงสิบห้าครับโอ้ยพระเจ้าว่าหลานทั้งหลายยยบรรุอรหันต์ในพระจัน์เต็มดวงสิบ้าครับเรารีบเข้ารีบปฏิบัติเข้าไปเดี๋ยวแกๆๆเดี๋ยวจะผมเข้านัง่งสมาธิมากครับเดี๋ยวจะแพบเดี๋ยวอ้าวนี่มันยังอยากนิพพานนี่แหละอ้าวเอ้ยมันต้องหลงซะก่อนโ ง, ง่ไปซะก่อนแล้วฉลาดมาที่หลังมันโดนเลียๆๆดอกเ ข, าาข้าเลยหลหอวก มันบอกแต่วางแต่ฝากเอาข้อจริงมันเดินจงกรมมันก็จะไปเดินเพ่นนิพพานนั่งสมาธิมันก็ไปนั่งสมาธิเพื่อนิพพานปฏิบัติมันก็ปฏิบัติเพื่อนิพพานเอาอ้ยของเราเนี่ยมันต้องเห็นด้วยตัวเองปัจจตังไม่มีใครไปช่วยกันได้จริงๆตรอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกเราต้องเห็นเองแล้วเราก็ต้องวางไปวางไปวางไปจนเราหมดหนทางอ่ะคือ พ้นทานอย่างอื่นไม่มีนอกจากว่าเราจะยอมวางความอยากได้พระนิพพานเพราะฉะนั้น <c oughs> เราจึงจะแลกกับนิพพานต้องยอมวางความอยากได้พระนิพพานถึงจะแลกพระนิพพานได้แม้แต่ว่าเราบอกว่าเรายอมแล้วยอมวางความอยากเดี๋ยวนี้แล้ว แต่เราวางวางวันนี้วางความอยากเพื่อจะไปเอานิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานเพราะเรายังมีเพื่อตัวเราจะไปเอาอีกมมันก็ย้อนสอนกลับไปกลับมาอยู่นี่เนี่ยวางก็เพื่อจะไปเอาอ่แสดงมันวางไม่จริงเน่ะวางจริงคือมันไม่มีผู้ไปเอาแต่เราวางยอมวางเพราะอะไรบนทางอื่นนอกจากวางไม่มีบนทางอื่นนอกจากวางไม่มีอย่างงั้นวางไปดีกว่า มันจะได้ไปได้อ้าวมันไม่ใช่มันไม่ใช่วางจริงอ่วางไปดีกว่าดูจะได้ไปได้ไงเอาอย่างนี้ไม่ได้วางจริงอ่ะมันไม่วางจริงเพราะว่ามันวางเพื่อจะไปเอาเนี่ยมันหลอกอย่างเงี้ยโอ้ยการปฏิบัติเนี่ยทุกแก่ทุกมุมดองตาโดนน้ำหมดแล้วจึงเข้าใจพวกท่านเลยไม่ว่าพวกท่านกะดิกมาอย่างไรในใจของท่านแล้วกระดิกจะไปเอาอะไรโอ้ยมันขึ้นมาเลยกิเลสตัณหาตัวโตนโผมาเลยเห็นไหมโอ้ปฏิบัติไป้วยกิเลสตัณหาทั้ง จะไปเอาจะไปเอาจะไปเอาเท่านั้นแหะปฏิบัตินะแต่เราคนจะไปเอาอะไรกันนั่ะจะไปเอาจะไปเอาเห็นไหม <laughs> ปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกิเลสนะฮะแต่นี่ปฏิบัติจะไปเอามันก็สวนทางกับ น, นิพพานนะสินิพพานคือสิ้นผู้จะเอาแต่เราปฏิบัติเพื่อจะไปเอาเนี่ยต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดนะเออน้ําตาลจะได้เป็นเลิกไหลสักทีนึงเนี่ยมีอะไรลำปฏิบัติมีแค่นี้ไนะการปฏิบัติที่ดีที่สุดนะคือ ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยเลยยึดทุกอย่างเลยเองกไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแต่ไม่ยึดอะไรเลยมีคําสวดที่เราก็สวดกันประจํานะนะที่ว่าพาาฮาเวปันจักขันตาขันตังห้าเป็นของหนักเนอ้อพาาฮาโลเจปุคาโลบุคลทั้งหลายแบกขันห้ายึดถือขันห้าเป็นของหนักไปพาลาทานาังทุกขังโลเกน การแบกหรือการยึดถือขนันหน้าเป็นทุกข์ในโลกลปรริยาเจ้าทั้งหลายปล่อยวางขนาันหน้าหมดแล้วไม่ยึดอะไรขึ้นมาอีกเลยไม่สิ้นผู้ป่าถนาสิ้นผู้จะไปเอานิจจาโตปรินิพุตโตดับความปราถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือ แล้นั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติเราจะไปได้อะไรเราจะปะฏิบัติไปเอาอะไรแม้แต่เราจะไปปฏิบัติกันเพื่อให้เราเนีย่ยจะไม่ทุก็มันก็ทุกเนี่ยเห็นไหมไมปปฏิบัติพยายามจะกันไม่ให้ตัวเราทุกมันยิ่งทุกใหญ่ไปเนี่ยที่ลงมีมีคนถามลงตามว่าอย่างนั้นอนะ่ะมาปฏิบัติทำเราจะได้อะไรไม่ได้อะไรเลยความไม่ได้อะไรเลยเลยไม่ต้องแบกได้อะไรไปแบกทุกอย่าง ไม่ว่าจะได้อะไรไปแบกหมดคิดว่าตัวเองได้นิพพานไปก็แบกนิพพานไปตายไม่ได้อะไรเลยไม่แบกอะไรเลยเมื่อเรที่เราสึกว่านั่นแหลกไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรล้ไม่มีผู้จะไปได้อะไรและไม่มีสิ่งอะไรที่จะได้ทุกอย่างวางหมดเพราะถ้าได้อะไรก็คือแบกวางหมดในปัจจุบัน เมื่อวางหมดจะมีใครเป็นอะไรมันก็ไม่มีใครไปเป็นอะไรทุกอย่างจะไปเอาอะไรแหนหมดทุกอย่างไม่หยุดไม่หยุดที่จะเอาพราะก็ต้องทุกข์อยู่หน้าแดกจะบอกว่ายังทุกทุกแต่ยังไม่หยุดที่จะเอาเพราต้องทุกข์อยู่หน้าแดกไม่มีเราที่ปฏิบัติเราจะไปเอาอะไรได้แหะมันเป็นทุกข์ทั้งงานไปกิเลสอาหาทั้งหมดไปทั้งหมดเราไปตอบคําถามมาทั่วไปพทเศษจะ ถามเพื่อจะไปเอาเหมดเลยแล้วดักข้าแล้วโดนหมดเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ <HHH> ่งนี้จะไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปทําเดี๋ยวจ่ายตรงปัจจุบันเนี่ยไม่เอาก็ไม่เอาปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวขอกลับไปทำไอ้ขอกลับไปทําเดี๋ยเดี๋ยวจะกลับไปทำไปเอาอะไรเพื่อเพื่อหนูกลับไปทำแด้วจะอจ่ายอะไรจ่ายแล้วนแน่ๆกิเลสแล้วนั่นจะมีแต่ปัจจุบันนี่แนะติดบูจะเอาไม่ไปเอาอะไรได้หรอไม่ไปเอาหมดแหละ อันนี้ชาโตบรินีพุโตเนี่ยดับผู้จะเอาดับความดับผู้ปัถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือนี่ที่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อความปัถนาหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อ